สํนวนแบบที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมมะและวิปัสสนาต่อเนื่องกันสํานวนที่สองสํานวนแบบนี้พบน้อยกว่าสํานวนแรกและไม่ค่อยมีผู้สังเกตสํานวนนี้แสดงสมาบัติ8พร้อมทั้งนิโรธสมาบัติต่อโดวยวิชาที่สคืออาสวัคยายานอันได้แก่การบรรลุอรหัตขอนําพุทธพจน์ในตปุสสูตรอังคุตรนิกายนวากานิบาศมาแสดงแต่จะแปลลั ด, ลด ตัดรายละเอียดส่วนมากออกไปเอาแต่หลักได้ดังนี้ดูกระอานน์์เรานั้นแหละสงัดจากกา ร, ทาากากรามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามยังกวนใจได้อันนับว่ายังเป็นความข้องขัดแก่เรานับว่ายังเป็นอาพาธแก่เรา เราจึงได้มีความคิดว่าถ้าะไรระงับวิตกวิจารณ์เสียได้เราพึงบรรลุทุติยฌานโดยสมัยอื่นอีกอันนี้เป็นสำนวนภาษาบาลีมีความหมายเท่ากับต่อมาอีกคราวหนึ่งโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุทุติยฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนัสิการที่ประกอบด้วยวิตกอย่างกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข่องขาดแก่เรา เราจึงได้มีความคิดว่าถ้ากะไรเราพึงบรรลุตติยฌานโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุตติยฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหรารธรรมนี้สัญญามนัสิการที่ประกอบด้วยปีติยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากะไรเราพึงบรรลุจตุตฌานโดยสมัยอื่นอีก เรานั้นบรรลุจะตุตฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนัสสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขายังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากระไรโดยความก้าวล่วงรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงเราพึงบรรลุอากาสานันจายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีก เรานั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปธรรมยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าะไรเราก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุวิญญาณัญจายตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามณสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าไรเราก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุอากินจัญญาญตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอากินจัญญาญตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าใครเราก้าล่วงอากินจัญญาญาตนะเสียพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนุษการที่ประกอบด้วยอากินจัญญาญาตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากไกรเราก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญาญตนะเสียพึงเข้าถึงสัญญาเวทิยตนิโรธอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญาญตนะแล้ว เข้าถึงสัญญาเวทิยตะนิโรธอยู่และเพราะเห็นด้วยปัญญาอสวรร์ทั้งหลายก็ได้ถึงความหมดสิ้นไปดูกระรอานน์ตราบใดเรายัางเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุปุปภวิหารสมาบัติ9ประการนี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญาในโลกพร้อมทั้งเทพทั้งมารทั้งพรมในหมูสัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ทั้งเทวะและมนุษย์ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุปปพวิหารสมาบัติก้าประการเหล่านี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญานในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็แลญยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าเจโตวิมุตของเราเป็นอากุปปาไม่กำเริบไม่กลับกลายนี้เป็นอันติมชาติคือเป็นชาติสุดท้ายบัรนี้พบใหม่อีกไม่มีสำนวนแบบที่สองนี้ที่บรรยายลำดับขั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมของสาวกดวยทั่วไปก็มีข้อความเหมือนอย่างนี้ต่างแต่มีเฉพาะตัวหลักที่แสดงขั้นตอน ไม่มีรายละเอียดเช่หนในนาคาสูตรอังคุตรนิกายนวาการนิบาตมีพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุนั้นละนิวรห้าเหล่านี้แล้วสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌาบนบรรลุทุติยฌาบนบรรลุ ต, ตัตยฌาบนบรรลุจตุตฌาบนบรรลุอากาสานัญจายตนะบรรลุวิญญาณัญญาตนะ บรรลุอากินจัญญายตนะบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะบรรลุสัญญาเวทิยตานิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป